จเจริญพรท่านผู้มีเจเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ก้ามีนาคมพุทธศักราช5 5 6เป็นวันที่ท่านทานั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ าาจึได้ท่านจำาวันเพื่อมาสร้างที่พึ่งให้แก่จิตใจเพราะจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่จะเป็นจะต้องมีที่พึ่งถ้าต้องการจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปรสญญาสากทุกข์ไอต่างๆใจก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกับร่างกาย ที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งผมที่อยู่อาศัยอย่างรักษาโรคที่พึ่งของใจก็มีปัจจัยสี่เหมือนกันแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายอาหารของใจก็คือการทำทาน เครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิยารักษาโรคใจก็คือปัญญานี่คือปัจจัยสีของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนกิกชนวันสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขใจ มากขึ้นไปเท่านั้นมีความทุกข์ใจน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้ที่พึ่งทางร่างกายนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้เช่นเรามีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีบ้านไว้อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่ก็รักษา ดูแลได้เพียงแต่ร่างกายเวลาใจเรามีความทุกข์ใจเรามีความหิวอาหารไม่สามารถดับความหิวได้ยารักษาโรคของร่างกายไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละอย่าง ก, กันมีความต้องการไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรา สุขทั้งกายสุขทั้งใจเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ทั้งของร่างกายและของจิตใจปัจจัยสี่ของร่างกายพวกเรามีกันเหลือเฟือแล้วพวกเราไม่เคยอดอยากขาดแคลนในเรื่องอาหารมีอาหารลัประทานอยู่ทุกวันไม่ขาดแคลนในเรื่องเสื้อผ้ามีเต็มตู้มีล้นตู้ไม่ ขาดแคลนเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ขาดแคลนเรื่องยารักษาโรคแต่สิ่งที่เราขาดแคลนกันมากก็คืออาหารทางใจเครื่องนืง่งหอมทางใจที่อยู่อาศัยทางใจและยารักษาโรคใจถึงทำให้ใจของเราไม่ค่อยมีความสุดเหมือนกับร่างกายร่างกายสุดแต่ใจกลับทุกข์ ใจกับวุ่นวายเดือดร้อนไปกับเรื่องราวต่างๆก็เพราะว่าใจไม่ได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสีนั่นเองถ้าใจได้รับการดูแลแล้วใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับร่างกายและจะดีกว่าร่างกายด้วยเพราะว่าถ้าใจมีความสุขแล้วต่อไปร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็จะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีความสุขนี่คือความสาคัญของใจที่เราต้องคอยดูแลเพราะว่าเราจะได้มีความสุขใจตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราตอนนี้ร่างกายของเราแข็งแรงยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตาย ยังไม่เป็นปัญหากับใจแต่ต่อไปพอเริ่มแก่เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ความตายก็ไปใจก็จะวุ่นวายใจก็จะทุกข์จะวิตกกังวลเพิ่มขึ้นไปตามลำดับถ้าใจไม่ได้มีที่พึ่งทางใจคือไม่มีปัจจัยสี่นี่คือสาเหตุที่พวกเราต้องเข้ามาวัดเพื่อมา สร้างปัจจัยสี่ให้กับใจกันเพราะเป็นที่ที่เราสามารถสร้างได้ครบทั้งสี่ประการสร้างทานคือที่อาหารสร้างศีลคือเครื่องนุ่หงห่มสร้างสมะทิคือที่อยู่อาศัยสร้างปัญญาคือยารักษาโรคใจวัด น, นี้เป็นแหล่งของปัจจัยสี่ของจิตใจเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เป็นหลังของปัจจัยสีของร่างกายเวลาเราขาดแคลนปัจจัยสี่ของร่างกายเราก็ไปศูนย์การคา้าไปแถวซุเปอร์มาร์เก็ตกันเราก็จะได้อาหารได้เครื่องนุ่งหง่มได้ยารักษาโรคมาบำรพงโคเวลาเราต้องการอาหารของใจต้องการเครื่องนุ่งห่มของใจต้องการที่อยู่อาศัยของใจ ต้องการยารักษาโรคใจเราก็ต้องมาที่วัดกันอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมาวัดท่านก็ได้มารับอาหารใจด้วยการเสียสลับบริจาคทรัพย์ส่วนตัวด้วยการซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าทานพอเราทำทานแล้วใจของเราก็จะได้รับอาหาร พาอจะทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขละงับความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปในระดับหนึ่งถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปเราจะไม่ค่อยอยากได้อะไรอยากจะได้แต่สิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแล้วก็จะไม่ไม่อยากได้ถึงแม้จะมีมือถือรุ่นใหม่ออกมา มีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมามีเสื้อผ้ารุ่นใหม่ออกมาแต่ถ้าใจเราได้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่ค่อยหิวกับของต่างๆเพราะรู้ว่าของต่างๆนั้นไม่ได้ให้ความอิ่มใจเหมือนกับทานทำบุญให้ทานถ้าเราอยากต้องการความอิ่มใจแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ หรือซื้อของใหม่ที่เพิ่งออกมาเราก็เอามาทำบุญเราจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการซื้อของที่ไม่จำเป็นของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆนี้มันให้ความสุขเราเดียวเดียวให้ความสุขในขณะที่เราได้ของนั่นมาแต่พอเวลาผ่านไป ของที่เราได้มานั้นก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้วเพราะว่าจะมีของใหม่ออกมาล่อตาล่อใจเราต่อไปพอเราเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่เราก็อยากได้ขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดความหิวขึ้นมาอีกแล้วนี่คือไม่ใช่วิธีที่จะดับความหิวของใจไม่ใช่วิธีที่จะทําให้ใจของเรามีความอิ่ม วิธีที่จะทาให้ใจของเรามีความอิ่มก็คือเอาเงินที่เราจะไปซื้อของไม่จำเป็นทั้งหลายเอามาทาบุญเอามาช่วยเหลือผู้อื่นจะทาบุญกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทาบุญกับพระเสมอไปทาบุญกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนรหรือทาบุญกับผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาคูบา้ารย์ หรือผู้ที่ให้การช่วยเหลือเรามาตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการซื้อข้าวซื้อของหรือให้เงินให้ทองแก่ท่านเหล่านั้นไปแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปเที่ยวไปซื้อของที่ออกมาใหม่ๆทั้งๆ ท, ที่ของเก่าเราก็ยังมีอยู่ยังใช้ได้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้ว ใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอมีความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่แหละเป็นการให้ความสุขกับใจของเราเช่นเดียวกับการให้ความทุกแก่ผู้อื่นก็จะทำให้ความทุกข์กับใจของเรานี่คือความจริงของใจ ที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักกันเราไม่รู้ว่าใจของเราอิ่มด้วยอะไรสุขด้วยอะไรเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเรามีความสุขถ้าเราได้ซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ถ้าเราสามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เราจะมีความสุขแต่เราก็ซื้อของมามากมายแล้วไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมามากมายแล้ว ความสุขที่เราอยากได้กันนี้เรายังได้อยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ในใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้วหมดไปหลังจากที่เราได้ไปซื้อของมาหมดไปหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวมาถ้าความสุขแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขไม่ถาวรแต่ถ้าเราเอาเงินนี่ไป ซื้อของมาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะพบกับความสุขที่ไม่จางจากใจเราไปถึงแม้เราจะทำผ่านไปนานแล้วถ้าเราคิดถึงการกระทําของเราที่ดีที่เราได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจกลับมาโดยที่เราไม่ต้องไป ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของนั้นของนี้นี่คืออาหารของใจที่แท้จริงความสุขของใจที่แท้จริงต้องเกิดจากการให้ทานแปลว่าการให้บุญแปลว่าความสุขใจที่เกิดจากการให้สิ่งที่เราให้นั้นก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันที่เราพอจะให้กันได้ คือหก็คือข้าวของเงินทองต่างๆอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานให้ข้าวของเงินทอง น, นี่เรียกว่าวัตถุทาน 2. สิ่งที่เราสามารถให้ผู้อื่นได้ก็คือวิชาความรู้ต่างๆเช่นวิชาทํากับข้าววิชาตัดเสื้อผ้าวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเหล่านี้ถ้าเรานำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกไม่รับเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนเราก็จะได้ทำทานที่เรียกว่าวิทยาทาน<ม>ทานชนิดที่สามก็คืออภัยทาน<ม><ม>คือเราให้อภัยเวลาที่มีผู้อื่น เขามาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเสีย อ, อกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองแทนที่เราจะอาฆาตพยาบาทจองเวีนจองกรรมแทนที่เราจะไปไปพูดไม่ดีไปทำร้ายร่างกายเขาเราให้อภัยเขาไปเวลาเราให้อภัยแล้วใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ใจของเราก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนใจมีความทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับการให้อภัยนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใจของเราให้เราคิดว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วและเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเรา ห้ามความโกรธของเราห้ามความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมของเราเพราะมันทําให้ใจเราร้อนทําให้ใจของเราทุกข์และจะทําให้ใจของเราต้องไปทําในสิ่งที่เราต้องเสียใจในภายหลังเช่นถ้าเราไปจองเวรจองกรรมไปทําร้ายผู้อื่นเขาก็จะกลับมาจองเวรจองกรรมทําร้ายเรา หรือถ้าเราทำร้ายเข้าถึงแก่เสียชีวิตเราก็จะต้องถูกจับไปขังคุกขังตารางหรือถูกจับลงโทษประหารชีวิตตอนนั้นจะมาเสียใจก็สายไปเสียแล้วถ้าจะเสียใจควรจะเสียใจตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ไปทําอะไรด้วยการให้อภัยการให้อภัยนี้เป็นการเสียใจที่ดีที่สุด พราจะทําให้ไม่มีโทษตามมาเพราะเมื่อเราให้อภัยได้แล้วใจของเราก็จะสงบเย็นจะไม่ทุกข์จะไม่โกรธจะไม่เกลียดเราก็จะไม่ต้องไปทําร้ายเขาเราก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลรับโทษที่จะตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของอภัยทานส่วนทานชนิดที่สี่ ที่เราให้ได้ก็คือธรรมทานคือให้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะได้แผ่นซีดีไปฟังแล้วเราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เราจะเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปก็ได้ถ้ามีซีดีเราก็เอาไปก๊อปแล้วก็เอาไปแจกให้คู่ที่ เขาไม่มีพอเขาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดเขาจะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเขาให้มีความสุขความสบายเหมยกับการดูแลรักษาร่างกายของเขาถ้าเขาไม่มีธรรมะเขาก็จะดูแลแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่เขาจะไม่ได้ดูแลรักษาใจ ร่างกายสุขแต่ใจกับทุกข์เพราะไม่มีธรรมะแต่ถ้าเขามีธรรมะเขาก็จะมีความสุขทั้งสองส่วนสุขทั้งกายและสุขทางใจการให้ทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดก็คือความสุขใจ ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ได้นอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราให้เงินทองเขาก็สุขเพียงเหลยวเดียวเราให้วิชาความรู้เขาก็าไปทำประโยชน์ให้ความสุขแก่ร่างกายแต่เขาไม่สามารถรับประโยชน์ความสุขทางใจได้แต่ถ้าเราให้ธรรมะเขาแล้วเขานำเอาไปปฏิบัติได้ เขาก็จะได้รับความสุขทางใจได้ปลดเปื้องความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดไปได้การให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักให้รู้จักคนที่จะรับว่าเขาพร้อมที่จะรับหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับก็อย่าไปให้เสียเวลาเหมือนกับเทน้าใส่แก้วที่ควา่เ ม, มาไว้ เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็จะไม่ใส่ไม่ลงไปในแก้วต้องให้แก้วหงายขึ้นมาก่อนถึงจะเทน้ำลงไปได้ฉันใดถ้าผู้รับไม่สนใจธรรมะก็อย่าไปให้เสียเวลาเสียประโยชน์เสียสิ่งของเพราะเขายังไม่ยินดีที่จะรับให้เขาไปเขาก็โยนทิ้งไปหรือเก็บไว้เฉยๆไม่มาอ่านไม่มาฟัง ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าธรรมะมีคุณค่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าคนที่เขาไม่สนใจเราก็ต้องทำใจเราก็ต้องตัดใจจึงแม้ว่าคนที่เราอยากจะให้ธรรมะนี้เป็นคนที่มีพระคุณกับเรา <c oughs> เช่นบิดามารดาหรือญาติสนิทมิตรสหายแต่ถ้าเขาไม่สนใจก็อยากไปให้เขาจะดีกว่า ถ้าไปอย่าให้เขาแล้วไปจํำจี้จำ้ำใจไปคอยบังคับให้เขารับธรรมะเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเราและเขาจะต่อต้านธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปเราควรจะรอให้เขาพร้อมเสียก่อนเมื่อเขาพร้อมแล้วถ้าเขาสนใจแล้วเราค่อยให้เขาจะได้ประโยชน์ ถ้ายังไม่พร้อมอยากไปให้นี่คือเรื่องของการให้สิ่งต่างๆแก่ผู้<ม>เพื่อเป็นการให้อาหารใจกับใจของเราให้ความสุขกับใจของเราส่วนเครื่องนึ่งห่มของใจคืออะไรเครื่องนึ่งห่มของใจก็คือศีล น, นี่เองคือศีลห้าและศีลแปและศีลสองีข้อ สินเหล่านี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภรร์ที่สวยงามคนเหล่านี้จะสวยไม่สวยไม่ได้สวยที่ร่างกายแต่สวยที่ใจถ้าใจสวยแล้วถึงแม่ร่างกายไม่สวยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าร่างกายสวยแต่ใจไม่สวยอย่างนี้เป็นปัญหาได้เพราะจะไม่มีใครรักเราชอบเราถึงแม้เราจะรูปงามใส่เสื้อผ้าที่สวยงาม แต่ถ้าใจเราไม่งามใจเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโมดเทศโกโหกหลอกลวงถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ก็จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นเราควรที่จะให้ความสําคัญต่อความสวยงามของใจมากกว่าความสวยงามของร่างกายเพราะ ความสวยงามของใจนี้เป็นความสวยงามที่แท้จริงและไม่เสื่อมไปตามความเสื่อมของร่างกายความความสวยงามของร่างกายนี้ก็อยู่ได้ระยะหนึ่งพอร่างกายมีอายุมากขึ้นมีความแก่มากขึ้นความสวยงามของร่างกายก็จะค่อยๆหมดไปเสื้อผ้าที่เราใส่ ถ้าใส่ไปนานๆเข้ามันก็เก่าไม่สวยเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแต่ศีลคือความสวยงามของใจนี้จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันาสางไปจากใจจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆอยู่กับใจไปนานๆยิ่งมีศีลมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งรักมากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือเสื้อผ้าอภารรของพวกเราที่แท้จริง คือศีลห้าศีลแปศีลสองิบเจ็ข้อเสื้อผ้าผรอนทางร่างกายเราอย่าไปหลงหามาใส่เอาแบบพอปกปิดร่างกายได้ก็พอเสื้อผ้าผรอนของร่างกายนี้มีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะของร่างกายเพื่อป้องกัน ร, ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย จากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าของร่างกายเสื้อผ้าของร่างกายไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้เราเป็นคนสวยงามได้เราจะเป็นคนสวยงามได้เราต้องมีศีลห้าขึ้นไปถ้าเรามีศีลห้าเราอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลห้าเราไปอยู่กับใคร ก็ไม่มีใครอยากจะให้เราอยู่ด้วยถ้าเราไปลักเล็กขโมยน้อยไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเวณีคนที่เขาอยู่กับเราเขาจะไม่อยากให้เราอยู่ด้วยเราะจะมีแต่ความเสียหายตามมาเราก็จะกลายเป็นคนน่ารังเกียจไปถ้าเราไม่มีสีหา้านี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจ ส่วนที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิคำว่าสมาธินี้แปลว่าอะไรแปลว่าความสงบของใจเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศอากาศร้อนที่อยู่ข้างนอกนี้จะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศ ผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศนี้จะอยู่อย่างเย็นสบายไม่เหมือนกับผู้ที่อยู่ข้างนอกห้องปรับอากาศที่เวลามีอากาศร้อนก็จะก็จะต้องร้อนไปทางอากาศฉันใดใจของเราถ้าเข้าสมาธิแล้วใจของเราก็จะเย็นสบายเวลาที่อยู่ข้างนอกเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้ใจของเราจะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆ เวลาเราเห็นสิ่งใดพบสิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความร้อนใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักทำสมาธินั่งสมาธิหลับตาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราวุ่นวายใจที่ทำให้เรารุ่มร้อนใจนี้มันก็จะจางหมดไป ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีที่อยู่อาศัยที่หลบภัยคือความทุกข์ใจควา ม, มวุดวายใจต่างๆเราก็ต้องควรฝึกทาสมาธิอยู่เรื่อยวิธีทาสมาธิก็คือให้เราควบคุมความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาความโลภความอยากก็ทำให้เราไม่สงบความไม่สบายใจก็ทาให้เราไม่สงบเราต้องลืมเรื่องราวต่างๆไปอย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณให้เราคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปทั้งวันแล้วใจของเราจะเย็นจะสบาย แล้วเวลาเรานั่งหลับตาท่องพุโทโธไปใจก็จะเข้าสู่สมาความสงบได้ใจก็จะเป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆนี่คือที่อยู่อาศัยของใจที่เราควรที่จะพยายามสร้างกันขึ้นมาเพราะไม่เช่นนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจมากๆ เราจะไม่มีที่หลบภัยและเราจะต้องทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากจะทำเช่นคนที่ฆ่าตัวตายก็เป็นเพราะว่ามีความทุกข์ใจมากไม่รู้จักมีที่หลบความทุกข์ใจหาที่หลบไม่ได้ก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นการหนีความทุกข์ใจแต่ความทุกข์ใจมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ถ่าร่างกายไปก็ไม่เป็นก็ไม่ได้ไปดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจก็ยังจะมีต่อไปต้องใช้สมาธิถึงจะดับได้แต่เป็นการดับชั่วคราวเพราะความทุกข์ใจนี้เป็นความเป็นโรคของใจอย่างหนึ่งถ้าเราอยากจะรักษาโรคของใจให้หายได้อย่างถาวรเราก็ต้องรับประทานยาคือธรรมโอโสถ ธรรมโอษฐก็คือปัญญานี่เองปัญญานี้จะทำให้เรารักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ได้อย่างถาวรวิธีรักษาใจด้วยปัญญาทำอย่างไรเวลาเกิดความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้พิจารณาหาเหตุของความทุกข์ใจว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองเวลาเราไม่สบายใจกับคนนั่นคนนี้ ก็เป็นเพราะว่าเราอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสบายไม่ทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากของเราอยาไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขา เขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาถ้าเราปล่อยได้หยุดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับเวลาคนอื่นที่เราไม่รู้จักเวลาเขาเป็นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์ใจเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอคนที่เรารู้จักเป็นอะไรไปเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมา ก็เพราะว่าเรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราใช้กันเวลาไม่สบายใจให้ใช้ปัญญาแก้อย่าไปใช่อย่างอื่นแก้เพราะอย่างอื่นแก้ความไม่สบายใจไม่ได้เพียงแต่กลบเอาไว้เท่านั้นหรือเพียงแต่ผัดไปเท่านั้นเองแต่ถ้าจะแก้ให้หายขาดอย่างถาวร ต้องใช้ปัญญาพิจนาหาความอยากให้เจอเมื่อเจอแล้วก็ให้หยุดความอยากนั้นให้ได้พอหยุดได้แล้วใจก็จะหายทุกข์หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพราะว่าถ้าเราสร้างได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลย จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างปัจจัยสี่ของใจคือทานศีลสมาธิและปัญญานี้ให้ท่านได้นำเมาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้